คือชีวิตพื้นที่บ้านกล้วยตาบนป่าหวายเดิมทีประสบปัญหาความเดือดร้อนเนื่องจากฤดูน้ำหลากลำน้ำพาชีมีปริมาณน้ำมากเกิดการกัดเซาะตะลิ่งพังทลายและในช่วงฤดูแง้งลำน้ำพาชีตื้นเขินระบบนิเวศขาดความสมดุลทำให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับความเดือดร้อนกรมทรัพยากรน้ำ จึงได้เข้ามาดำเนินโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำพาชีบ้านกลว้วยโดยการขุดลอกลำน้ำที่มีความกว้าง45เมตรความยาว350เมตรความลึก 1-2 เมตรและสร้างฝายทดน้ำจำนวนหนึ่งแห่งพร้อมทั้งดำเนินการสร้างจุดป้องกันการกัดเซาะริมตลิ่งสูง 4.5 เมตรความยาว208เมตร เพื่อบันเทาแก้ไขปัญหาไัยแรงและอุทกกัยเพิ่มประสิทธิภาพในการกักเก็บน้ำระบายน้ำและเพิ่มความชุ่มชื้นเสริมระบบนิเวศ ท, ทำให้มีปริมาณการกักเก็บน้ำา7 5 0 0 0ลูกบาทเมตรส่งผลให้ประชาชน35ครัวเรือนมีน้ำใช้เพื่อการอุปโภคบริโภคและการเกษตรในพื้นที่รวมกว่า80ไร่มีรายได้เฉลี่ยเพิ่มขึ้นประมาณ3 0,000 บาทต่อไร่ในแต่ละฤดูกาล นอกจากนี้กรมทรัพยากรน้ำยังได้น้อมนำแนวพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิษที่ได้พระราชทานไว้เมื่อวันที่9กุมภาพันธ์2530นาย์การศึกษา พ, พัฒนาห้วยห้องไครอันเนื่องมาจากพระราชดำริโดยการสำรวจหาทาเลสร้างฝายต้นน้าลาทานในระดับสูงที่ใกล้กับบริเวณยอดเขา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 dwr.go.th